เหตุการณ์ของหลวงมีประมาณ 4-5 หลักละ เพราะนานๆจึงจะมีพระทุรงมาโปรด คอยทำร้ายคนและสัตว์ที่ผ่านไปทั้งนั้นทำร้ายขออย่าได้ห่วงตัวท่านเลยและ หลวงแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าออกเดินๆเลยแม้แต่นกก็ไม่มีดูผิดประหลาดมากนกก็ รูปลักษณะดูตะปุ่มตะปามคล้าย 10 เมตรเมื่อส่ง ทั้ง 2 องค์ตระหนักในประมาณ พูดกันแค่นี้แล้วทั้ง หลวงปู่แวนตอบด้วยเสียงๆๆ ครั้งชนิดไม่มีเขามาก่อนเลยก็เกิดพายุปั่นป่วนไม่หยางกระทันหันชนิด มือทั้งสองมันอยู่ห่างจากประมาณ 10 เมตรเห็นจะได้เห็นจะได้สัตว์พลันพายุนั้นก็แสดงมีเหนือธรรมชาติ หลวงปู่แหวนเล่าให้ฟังภายหลังว่าท่านไม่รู้ แสดงว่ารับกระแสเมตตาได้ว่ารับกระแสเมตตาได้มันค่อยๆสูดร่างเอามือยันพื้นไว้ท่าแสดงความนอบน้อมต่อท่านพูดพอให้ได้ยินว่าท่านดีมากพร้อมกับเดินมาแล้วพูดว่าเขาแบกหามบาปหามอัน เขาสร้างกรรมไว้มากเมื่อตายจากมนุษย์แล้วต้อง ปีศาจอสุรกายนั้นดูท่าทางอ่อนลงมากมันร้องไห้คร่ำครวญอย่างน่าสงสารขอความเมตตาจากพระคุณเจ้าทั้งสองให้เขาได้พ้นทุกทรมานนั้นด้วยเถิดหลวงปู่แหวนได้พิจารณาเห็นว่าเขาสร้างกรรมซับซ้อนเกินใครจะช่วยเขาได้พลันหลวงปู่ตื้อก็ตอบมาในสมาธิว่า กรรมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนลึกซึ้ง พระคุณเจ้าคุณเจ้าและข้าพเจ้าก็ได้เห็นสภาวธรรมคือชาติชรามรณะอันเป็นทุกข์ แล้วร่างนั้นก็หายไปร่างวัดดอยแม่ปังก็หาย